ทำอย่างไรกับคนร้อนร้อนที่พยายามมาพึ่งเย็นจากเราถามหากความเย็นของเราดึงดูดให้คนร้อนร้อนเข้ามาหาเพราะอยู่ใกล้แล้วเขาเย็นใจแต่บางทีพอความเย็นของเราเอาความร้อนของเขาไม่อยู่เขาก็เอาเรื่องร้อนร้อนมาสมใส่เราจนเราเองยังทนเย็นอยู่ไม่ไหวทั้งวางอุเบกขาก็แล้วคิดเมตตาก็แล้ว มันทำให้ชีวิตเราเริ่มหมดความสุขลงทีละน้อยถ้าเจอแบบนี้ควรจะวางใจอย่างไรดีตอบอย่าทนร้อนสิครับให้น้ำเข้าแก้วหนึ่งเป็นตัวอย่างว่าน้าเย็นเป็นอย่างนี้และให้วิธีหาน้ำเย็นเพื่อให้เขาพึ่งตัวเองได้จากนั้นเขาจะหาได้หรือไม่ได้ก็วางเฉยเสีย นโยบายที่ดีที่สุดในการเผชิญกับคนมีความร้อนติดตัวคือตั้งระยะห่างไว้พอประมาณอย่าเพิ่งเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาใกล้ขนาดไม่เกรงใจว่าเราจะร้อนตามเขาไปด้วยทีบ่อยเพียงใดก็ได้เว้นแต่ว่าเขาคบเราได้ความเย็นจากเราจนกระทั่งเห็นจริงๆว่าความเย็นของเรามีความนิ่งมีความตั้งมั่นได้เทียบเท่ากับเรา หรือยิ่งกว่าเราอันนั้นแหละคอยเปิดรับเขาเป็นคนสนิทเท่าที่เห็นมาโดยมากนะครับหากเดิมเคยร้อนสุดๆอลวาดฟาดง่วงฟาดงาเก่งสุดๆจะเหมือนกันแทบทุกรายคือรำคาญตัวเองใจจริงส่วนลึกอยากจะสงบเย็นแต่ยังหาคนเย็นมาเป็นผู้เหนี่ยวนําให้พอใจเปลี่ยนแปลงตนเองไม่เจอ หากโชคดีได้เจอและได้พึ่งพาไอเย็นจากคนใจคอสงบสุขสักพักก็จะเหวี่ยงนิสัยร้อนร้อนดังเดิมไปอยู่ขั้วตรงข้ามคือเมตตาได้สุดๆุดเยือกเย็นและสว่างอาภาเป็นที่สบายตาสบายใจแก่ผู้พบเห็นซะยิ่งกว่าคนมีท่านิสัยร้อนโดยเดิมยกตัวอย่างหลวงปู่ขาว ผมเห็นใบหน้าท่านและจับใจตั้งแต่แรกเข้าใจว่าท่านคงเปลี่ยนเมตตามาแต่อ้อนแต่ออกที่ไหนได้ท่านเคยเป็นคนดุแล้วระบุเลยว่าช่วงก่อนบวชเนี่ยท่านเป็นคนโมโหร้ายมากแต่แน่นอนครับเมื่อท่านจะเปลี่ยนแปลงท่านคงไม่เจอครูบาอาจารย์ประเพทยที่ปล่อยให้ท่านได้สาแดงความร้อนของโทสะได้ตามอาเภอใจ ท่านต้องถูกกำราบหรืออย่างน้อยก็ต้องได้แรงบันดาลใจอย่างใหญ่ในระยะห่างเห็นความเยือกเย็นดีงามของผู้เป็นอาจารย์แล้วซึมซับน้อมรับความเยือกเย็นดีงามนั้นเข้าไปไว้ในตนบ้างสรุปคือคุณทำตัวเป็นที่พึ่งในระยะห่างเป็นแรงบันดาลใจในระยะไกลและเป็นผู้ออกแรงใช้นิ้วในการชี้ทาง ไม่ใช่เอามือและไหล่แบกทั้งตัวเขาไปส่งถึงที่เพราะคุณจะหน้ามืดเป็นลมอยู่กลางทางนั่นเองเขาเองก็จะหลงทางต่อแล้วช่วยพัดวีให้คุณฟื้นไม่เป็นเสียด้วย